เราเข้าสู่ช่วงเคสตีเคสสิบกิเกโลกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาชาวไทยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะลูกเกิดในครอบครัวศาสนาคริสต์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต่างนับถือศาสนาคริสต์รวมทั้งคุณตาคุณยายและแม่ของลูกด้วยทุกคนต่างนับถืออย่างเคร่งครัด ไปรดน้ำกิจกรรมทางศาสนาทุกวันอาทิตย์เขาเคลื่งคัดในทุกวันอาทิตย์เขาไปกันของอิสลามก็วันศุกร์ของพุทธควรจะเป็นวันพระแต่ก็ไม่ค่อยจะมีใครไปกันเดี๋ยวเราต้องฟืนฟ้นฟูกันใหม่แล้วยกเว้นพ่อลูกเพียงคนเดียวในบ้านที่นับถือศาสนาพุทธแต่พ่อก็ไม่ได้บังคับให้ลูกๆนับถือพุทธศาสนาตามท่านแต่อย่างได คุณยางโลกเคยเป็นนักบวชของศาสนาคริสต์ที่เคร่งครัดมากมย้ายเข้าไปอยู่ในอารามตั้งแต่อายุ15ปี<อ>แล้วก็ได้บวชเป็นซิสเตอร์แบบธรรมดาเมื่ออายุได้20ปีแล้วก็ลาออกจากการเป็นนักบวชเมื่ออายุได้29ปีสาเหตุที่ออกจากการเป็นนักบวชเพราะรู้สึกว่าบวชมานานแล้ว<อ>จึงเบือ่อที่จริงบวชนาน ยิ่งมีความสุขนะไม่น่าเบื่อเลยอีกทั้งตอนนั้นคุณยายได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กกำพร้าซึ่งยายไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ยายจึงไม่ได้ปฏิ ญ, ญาณตนเป็นนักบวชตอเพราะไม่ชอบเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าคุณยายได้ลาออกกลับมาอยู่บ้านเดิมซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวคริส มีประมาณส4 0สรอหลังคาเรือนมีคนประมาณ2 0 0พันคนสาศัยที่หมู่บ้านที่คุณญายอยู่นับถือคริสต์เนื่อมาจากมีครอบครัวอยู่หครอบครัวอพยะมมาจากที่อื่นเพราะมีปัญหาเรื่องที่ทำกินบ้างเรื่องโดนถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบบ้างโอ้โอเนี่ยมันทำให้อยู่เขาไม่ได้ก็เลยต้องออกมาอพอออกมาก็ มีการปรับทุกขหกมิตรเกาะติดที่นำแล้วก็อะไรเป็นอย่างนี้ <c oughs> พอไระยุ่รวมกันที่นี่ก็ได้ยินว่ามีบาทหลวงที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เบอรเคม ร, ร, ราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงเชิญบาทหลวงมาสอนแล้วก็มีการกล่าวต่อต่อ ก, กันไปถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระคลิสนี่อ่านตามที่เขาส่งมานะ ค, คนที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆในหมูม่บ้านนี้ก็ได้รับการแนะนําต่อต่อกันมา จนในที้สุดก็นับถือคริสต์กันทั้งหมู่บ้านการก่อตั้งคริสต์ในหมู่บ้านนี้ก็จะครบหนึ่งรปีในปี25งพห้าหนึ่งคืออีกสองปีข้างหน้านี้ oh. ต่อมาคุณยายก็เดทแต่งงานกับคุณตาซึมเลี้ยคริสเหมือนกันแต่งงานกันได้ระยะหนึ่งก็ย้ายจากหมู่บ้านนั้นมาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึมเลี้คริสตเหมือนกันแล้วลูกก็มาเกิดที่หมู่บ้านนี้ค่ะ mm. ทั้งแม้ยายจะมีครอบครัวแล้ว แต่เมื่อนักบวชศาสนาคริสต์ไม่ว่าง mm hmm. ก็จะมอบหมายให้คุณยายน้ำสวด mm hmm. และสอนคำสอนแทนเสมอ mm hmm. คล้ายๆก็เลยเรียกคุณยายว่าครูคำสอน mm hmm. ปัจจุบันคุณยายมียุติกึกษา12ปีแล้ว oh oh. คุณตาลูกเขาเรื่องกิจกรรมทางศาสนาคริสต์อย่างสม่าเสมอทุกวันอาทิตย์จะตั้งไปโบสถ์ mm hmm. อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธก็จะต้อง ศึกษาให้ดีทีเดียวว่าเราก็จะต้องมาวัดชเช่นเดียวกันนะจ๊ะบุณตามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ก็เป็นครูคําสอนเหมือนกับคุณยายรวมทั้งจะเป็นคนติดต่อกับบาทหลวงและรับรองบาทหลวงค่ะบุญตาเคยเป็นทาหารอาสาสมัครในขณะที่อยู่ค่ายทหารเคยได้รับการฝึกให้ฉีดยาและจ่ายยาอย่างง่ายๆดังนั้นเวลาคนในหมู่บ้านไม่สบายก็มักจะมาให้บุญตารักษา และฉีดจะให้ซึ่งก็หายบ้างไม่หายบ้างแต่ก็ใครป่วยก็ยังชอบมาหาคุณตาเ <c oughs> สมอเพื่อใ้คุณตารักษานะ่ยคุณตามักจะสูบบุหรีดื่มเหล้ารวมทั้งจับปราล่าสัตว์ประธรมอาหารอยู่เสมอเสมอประมาณหนึ่งปีก่อนเสียชีวิตคุณตามีอาการเป็นอมัมบลึกและความดาโลหิตสูง แล้ววันหนึ่งเดนตานช้าเมื่อคุณแม่ไปปลุกปราก็บรบคนตาเสียชีวิตแล้วโดยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดฝอยในสมองแตกม่อยุได้52ปีคุณพ่อของลูกเป็นชาวพุทธคนเดียวในครอบครัวเป็นครูโรงเรียนประถมเป็นคนใจดีพูดจาไพเราะรักครอบครัวแต่เว่าพ่อดื่มเหล้าพ่อก็จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนชาวพุทธต้องไม่ดื่มเหล้า ต้องไปดืม่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์พ่อจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือพูดจาเสียงดังบางครั้งก็อารวาแล้วบางทีก็มีเจ้านี่จากวงไพ่มาทวงเงินถึงบ้านนะทําให้แม่ลูกน่ะทุกข์ใจแล้วครับแคร์ใจมากในสุดคุณแม่จึงได้แยกทางกับคุณพ่อไปทํางานที่กรุงเทพซึ่งในนั้นพ่อกับแม่มีลูกด้ยวยกันสามคนลูกเป็นลูกคนโตอาอยุได้หขวบเท่านั้น แม่คุณแม่จะจากคุณพ่อไปแล้วแต่คุณพ่อก็ยังคิดถึงคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงคุณแม่อยู่เสมอเสมอแล้วจะแยกกันแล้วน้องชายแล้วตัวลูกก็อยู่กับพ่อส่วนน้องสาวข้อแรกอยู่กับตายายแต่ามาเมื่อลูกอยู่ม .2 แม่ก็ได้ ก, กลับมาอยู่กับลูกๆเหมือนเดิมอืมแล้ว่าคุณแม่ก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงคุณพ่อและคุณลูกได้ปีสามสี่หลังจากจบม .6 ลู ก, กสอบเข้าคณะแพ ท, ทย์ศาสตร์อ่านี่คุณหมอนี่ในวันประกาศผลสอบก็มีข่าวดีและข่าวร้ายเกิดขึ้นกับลูกพร้อมๆกันข่าวดีคือลูกสอบเข้าเรียนแพทย์ได้ข่าวร้ายคือลูกได้รับตัวเลขว่าคุณพ่อของลูกเดืประสบอุบติเหตุญาติบอกว่าพ่อนั่งรถสามล้อเครื่องไปชนกับรถบรรทุกไม้หมอบอกว่าสมองตายแล้ว ยังใส่เครื่องช่วยหายใจไว้เท่านั้นพอจะในสภาพเจะาชายนิทรา14วันแล้วก็เสียชีวิตอายุ42ปี oh. ตัวลูกเองในวัยเด็กได้ซึมซับความสอนศาสนาคลิศได้อย่างเต็มหัวใจเพราะทางคุณตาคุณยายและคุณแม่ต่างก็นับถือศาสนานี้จนกระทั่งตัวลูกเคยคิดที่จะบวชอุทิศตัวในศาสนานี้ เราคิดว่าคำสอนเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งช่วงที่ลูกกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อลูกเรียนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนขณะที่ลูกกําลังอา่านหนังสือเรียนคําว่าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคือต้องทําเองใครทําแทนไม่ได้นี่คํานี้สะกิจใจลูกอย่างประหลาดในครั้งแรกปัจจตังรู้ได้เฉพาะตน คนอื่นทําแทนไม่ได้ <S <S ใครกินก๋วยเตี๋ยวคนนั้นก็อร่อยเอง <S <S จะไปอร่อยแทนกันไม่ได้ <S <S ตอนมาลูกเราได้มีอกามาว่าพระธรรมกายแบบไม่ได้ตั้งใจในวันนั้นลูกโลกโลกก็ได้ยินพี่ๆที่ชมรมพุทธชักเชวนเพืพ่อนบุญชายไปอยู่ทุดงในวันหยุดส่วนตัวลูกเองนัดกับเพื่อนๆว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดเลยแต่วันนั้นลูกแล้วเพื่อนๆไปไม่ทันรถโดยสารเพราะรถออกไปแล้ว วันน the ั <demais noise> ้นลูกก no ็เลยรู้สสุดเซ็งเลยเซ็งมากอยากจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้และความเซ็งนั้นทำให้ลูกตัดสินใจมาพบธรรมกายอ่าแล้วกันมันต้องมาด้วยความท่าทีเจ้เซ็งแล้วตัดสินใจมาเออรัดเป็นตอกเซ็งบางทีนี่เนียดูเหมือนโชคร้ายแต่มันกลายเป็นโชคดี เลยตัสินใจมาวัดพระธรรมกายกับชมรมพรรุทธของมหาลัยการมาวัดครั้งแรกนี้ลูกก็ได้เห็นภาพคุณยายจารเพื่อ ก, กําเนิดวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ไปฟังเรื่องราวของท่านทําให้ลู ก, กรู้สึกประทับใจมากโดยเฉพาะเรื่องที่คุณยายจานไปช่วยพ่อในในรกได้ประโยคเดียวกันเลยลูกก็อยากทำได้อย่างคุณยายนะแล้วก็ พอเห็นแล้วลูกคิดอย่างเดียวคือขอติดตามยายอยู่ปับยายนี่อยู่สิบุรีวงบญมิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตในตอนนี้เป็นสมณะเทวบุตรสร้างงางามมี ม, มิกี่องค์สมณะเทวบุตร<อ>และจานั้นลูกไดเเริ่มให้โอกาส ต, ตัวเองมาสวดมนต์ทวัด ท, ที่ชมรมพุทธเป็นประจำ ความเส็งกลายเป็นความทราบไปแล้วโดยไม่ให้ทางบ้านรู้ <No. S 1> แต่ไม่ใช่ตั้งารจะปิดบังบแต่จะบอกเมื่อถึงเวลาอันควรลูกบรรับบุญเป็นเหรอเลยิกแล้วก็เป็นประธานชมรมด้วยต่อมามา่อถึงวัดเริ่มบอก บ, บุญสร้างพระธรรมการมยำตัวโลกจึงตัดสินใจสร้างองค์พระจาร้าฤกชื่อพ่อหนึ่งองค์<า>แล้วก็สะสมได้จนเต็มองค์ซึ่งเงินหมื่นบาทในสมัยนั้นเป็นเงินจำนวนมากสําหรับตัวลูก เพราะลูกยังเป็นนักศึกษาไม่มีไรายได้เ<ะ>มื่อจบการศึกษาลู ก, กมีโอกาสได้สร้างองค์พระบนโดมแกนกลางองค์พระภายนอกบูชามหาบูชาเนียาจารย์ทั้งสามรงทั้งหมด10องค์ค<า>่ะตัวลูกเน่ยเป็นคนที่บอกบุญคนอื่นไม่เป็นไม่จริงหรอก <c oughs> ลองบอกดูสิจ้า <c oughs> ถ้าพูดได้เนี่ยก็บอกชวนคนอื่นทําบุญได้ ขะคนใบก็ยังบอกได้เลยลเขาเรียกบอกใบ้เห็นไห ม, ไหมจ๊ะเพราะนั้นคนดีก็ต้องบอกดีได้ชวนคนทำความดี<ช><ะ>เห็นเขาบอกบุญ ส, สร้างของพระกันได้เป็น10องค์ร้อยองค์ลูกก็อยากจะบอกบุญให้ได้บ้างความคิดที่ถูกหลักวิาชาในช่วงที่มียอการถาวายประจายกุญจอาจารย์ลูกจึงขอพรจากท่านว่าขอให้บอกบุญสร้างของพระให้ได้หนึ่งรองค์ ทั้งทั้งที่มอไม่เห็นทางที่จะบอกรุญได้ในตอนนั้นเลยโอ้ยเหลือเป็นรอบทิศนี่นะจ๊ะเจอกระมิรลาบตัวนั่นแหละแต่ปัจจุบันรวมแล้วตัวนี้บอกบุญสร้างพระทรากายไปได้แล้วประมาณ98องค์แล้วคะ่ะก็อีกสององค์ก็ทำซะเองสิ <laughs> <laughs> หรือชวนคนที่อยู่ข้างๆใครอยู่ข้างๆก็ชวนเข้ามา หลังจากลูกเรียนแพทย์จบแล้วลูกก็ทำงานใช้ทุนเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลช่วงนี้ลูกก็ได้รักษาผู้ป่วยอย่างทุมท่มเทหากคนไข้มีการรุนแรงไม่ว่าตอนดึกหรือตอนไหนก็ตามลูกก็จะไปดูคนไข้เป็นอย่างดีทุกครั้งเพราะลูกรู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากลูกอยู่ค่ แต่ก็มีคลั้งหนึ่งลรา ก, ก็ได้รับรายงานคลางเด็กว่ามีคนไข้ท้องเสียเข้ามาใหม่แต่ครังนั้นลูกไม่ได้ไปดูผู้ป่วยตาของตนเองแต่ได้สั่งพยาบาลไปทางโทรศัพท์ว่าให้เกลือแร่ตัวหนึ่งแกผ่ผู้ป่วยพอรุ่งเช้าพยาบาลรายงานว่าคนไข้รับเกลือแร่ไปเรียบร้อยแล้วเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ทำให้ลูกเป็สบายใจมากอดคิดเป็นตาว่าลูกเป็นต้นเหตุหรือเปล่า ลูาทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนอย่างหนึ่งปีครึ่งเลยออปีครึ่งแต่ลูกตัดสินใจที่จะไปช่วยเหลืองานที่สูบปฏิบัติทําโตเกียวประเทศญี่ปุ่นลูกจึงได้ใช้ทุนคืนรัฐบาลไปสองแสนบาทแล้วก็ให้เงินแม่อีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าแม่บอกว่าชีวิตคเราเนี่ยจะอยู่กับที่ไม่ได้หรอกจะต้องก้าไปข้างหน้า ม, มีใครถอยหลังเดินลงบันไดนอกจากคนประหลาดเออแต่ละภาษาเนี่ยก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวนะฟังเออเขาท่านีที่จริงเราพูดธรรมดารรมดาว่ามุ่งไปข้างหน้าเนี่ย <c oughs> ก็ไพเราะอยู่แล้วนะ <c oughs> ในภาษาของแต่ละชาติแต่พอเราไปท่วงทำนองอีกสักหน่อยออไม่เลวนี่ <c oughs> อือ ก็มีลูกคอเลยสักหน่อยอืมไม่เว็วเหมือนกันก็ท่าดีในช่วงแรกได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็สอบเป็นนักศึกษาวิจัยปริญญาโทสองปีที่มหาลัยมูซาชิโนต่อมาได้สอบเป็นนักศึกษาต่อมาได้สอบเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาลัยโอชาโนมิสุ นณะจิวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีต่อมาสอบเข้าวปริญญาเอกของที่นี่เช่นกันโอ้นี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกคณะจิวิทยาการศึกษาได้ทุนเรียนฟรีขณะนี้กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่ญี่ปุ่นมาได้7ปีครึ่งแล้วคะ่ะอ๋อก็อไปถึง10ปีลูกก็ได้ปร <laughs> ิญญาเอกข้าสาดีิบเนก็ได้จะไปถึงญี่ปุ่นลู ก, ลกสึกคุ้นเคยกับทุกอย่างรอบตัว คนน้นผู้คนที่ได้พบเจอราคาวาติกลับบ้านมาอีกครั้งหนึ่งสงสัยจะเป็นเคยมาเกิดจากเกาะ น, นี่ฮอกไกโดนึ่งเป็นเรื่องที่ลูกเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้ว่าลูกต้องเป็นชาวญี่ปุ่นมาเกิดแน่เลยหรือเคยมาเกิดที่เกาะ น, นี้แน่ในฤดูใบไม้ผลิญี่ปุ่นโอ้สวยงามมาก โดยเฉาเวลาที่ดอกซากุระบานช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมสวยเหมือนดอกคูนไหมเนี่ยดอกซากุระจะบานจากตอนใต้ไล <Sams. S 1> ่เ <ADHD> รียงมาตอนเหนือของประเทศค่อยๆบานไปทั้งประเทศช่วงที่ดอกซากุระบานนี่เป็นช่วงที่ใครๆก็ชื่นชมจะคนนั่นไม้ดื่มสาเกแต่สําหรับลูก กลับรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทรมานมากที่สุดเพราะว่าลอเกสรดอกไม้นานาชนิดฟุ้งกระจายนอากาศตลอดฤดูใบไม้ผลิทําให้ลมมีอาการคันจมูกคันตาคันคอโรคนี้แม้แต่ผู้คนในท้องถิ่นบางคนก็ป่วยเหมือนกันบางคนเป็นม้จะมีอาการหายใจไม่ออกแต่ลูกก็ชอบนะชอบดูดอกซากุรับานเพราะว่า มันสวยงามมากๆเลยค่ะคำถามคุณยายก็รู้มีโปรแก ร, ร, รมอะไรจึงได้มาเป็นผู้สอนศาสนาที่เคร่งครัดของศาสนาคริสต์นี่เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกันนะจ๊ะถามมาก็ตอบไปครับครับครับครับครับค่ับครัครณบครอย่างไรับครัาครับครับครับครับครับครยบครบคยายนรับครบครครับครับครับครครบครัครับครับครับรบครัค คุณตาลูกมีบุพกรรมใดจึงมา น, นับถือศาสนาคริสต์และเปนครูคําสอนเหมือนใจกัมใดแท้ทาให้คุณตาเป็นรอ ค, ความดันโลหิตสูงและเป็นอมัมบลุกคุณตาตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและคุณตามีข้อความอะไรฝากถึงลูกบ้างไหมคะพ่อลูกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเพราะวิบากกัมใดพ่อตายแล้วเป็นไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรและหลังจากที่ลูกเดททำบุญสร้างขงพระธรรมการไปจําตัวให้กับพ่อ และสะสมเต็มองค์ในปี2538พ่อได้รับบุญภายหลังจากที่สร้างองค์พระเต็มแล้วอย่างไรคะและบุญที่ได้รับนี่แตกต่างจากก่อนที่สร้างองค์พระให้พ่อนะไม่เต็มนะอย่างไรค่ะเกิดสร้างตอนไม่เต็มแล้วทิศบุญไม่ให้กับตอนสร้างเต็มมาเพิ่มภายหลังแล้วุทิศให้นะี่ต่างกันอย่างไรทําไมชีวิตในช่วงแรกของคุณแม่มีความสุขสบายพอสมควร แต่เมื่อแต ง, งานแล้วก็มีปัญหาครอบครัวแตกแยกต่างทำงานลำบากเป็นลูกจ้างเขาย่าที่อยู่เรื่อยๆและ ย, ยังไม่สามารถมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองจนถึงทุกวันนี้แม่ของลูกมักจะปิดกั้นตัวเองวันนับถือศาสนาคริสต์อ๋อที่ปัญหาครอบครัวแตกแยกทำงานลำบากเป็นลูกจ้างเขาคงกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองบททดสอบ แม่ปิดกั้นตัวเองว่านับถือศาสนาคริสต์จะนับถืออย่างอื่นไม่ได้ลูกควรจะทําหน้าที่กันวิทย์อย่างไรและแม่เคยสร้างบุญมากระหม่อมคณะบ้างหรือเปลา่าคะวิบากกรรมใดทําให้ลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์และทําไมว่ลูกอ่านคำว่ า, าปัจจตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสะกิดใจลูกอย่างพระราชลูกมีวิบากกรรมใดที่เกิดในครอบครัวแตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลําบากและเติบโตในบ้านป่าถิห่างลายความเจริญ แต่พอโตอมาชีวิตกลับพลิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาแต่รับความเกรงใจจากคนทั่วไปและได้รับความเมตตาจากครูนพีและพระอาจารย์เสมออาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะทำให้ลูกได้รับผลบุญอย่างไรและคนไข้ท้องเสียที่ลูกได้สั่งปัจจุบันให้เกลืออแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เร่งขึ้นคนป่วยเสียชีวิตลูกจะเป็นต้นเหตุทาให้เขาตายหรือเปล่าคะ ถ้ใช่เราจะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะทําไมเมื่อลูกเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกลูกกับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประดับประทุกสิ่งกระบตัวเคยขึ้นจากอะไรหรือลูกรู้สึกไปเองคงจะเคยไปเกิดตรงนั้นมั้งหรืออยู่ตรงนั้นมาหลายชาติน่ะเนาะวิบากกรรมอะไรทำให้ลูกแพ้รองเกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี เราจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรเบื้องทีเป็นแพทย์ก็ไม่รู้จะทําทไงกับเงินนละยไม่รู้จะทําทไงกับเงินเบื้องทีบาง ท, บางทีบางครั้งลูกได้ทราบว่าทำการกจําตัวทั้งทำด้วยตนเองสิบองค์และบอกบุญกับผู้อื่นให้ทราบล้วทําการกจาตัวได้ประมาณ98องค์แล้วแต่วันนี้ลูกจะได้รับอันที่สองทั้งพบนี้และพบหน้าอย่างไรคะลูกสังเกตว่าบางคนมีเงินไม่พอ แต่ตัดสินใจทําบุญสร้างองค์พระทันทีแต่บางคนที่มีเงินพอแต่ตัดสินใจสร้างองค์พระในภายหลัง<ม>บุญที่ได้จะมีอันเนื่อต่างกันอย่างไรและเจ้าหน้าที่ระยิกที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนและจัดส่งรายชื่อคนที่ทําบุญสร้างองค์พระจากต่างประเทศจะได้บุญอย่างไรคะ<ม>รุ่นน้องลูกคนหนึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ด้ยวยกันที่ต่างประเทศ ในอดีเธอและลูกเคยสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรเธอและลูกมีหน้าที่อะไรในหมู่คณะแต่ชาติที่หมู่คณะมาสร้างบารมีสองรอบเธอและลูกได้ลงมาสร้างบารมีทั้งสองรอบหรือไม่และมีผลการปฏิบัติธรรมเนอย่างไรและน้องชายน้องสาวลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือเปล่าแล้วมีหน้าที่อะไรคะนี่ก็เป็นคําถามเกสต์ดีเจ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝั่เปตัเตาเตินขึ้นมาเักหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามปรากันจาคุณยายมาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยมเพราะในอดีตคุณยายก็ได้เคยรับถือศาสนาเทวนิยมแบบเข่งครัดแต่อตอนนั้นเขาก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะ ใ, ใน อดีตกับเก่าๆที่ผ่านมาก็เรียกชื่อนั้นชื่อนี้อะไรต่างๆแต่อยู่ในในตระกูลเทวนิยมแฟมิลี่เทวนิยมอะไรเงี้ <c oughs> กรรมนี้จะทำกุญยาั้งอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวานิยมอยู่จ้า <c oughs> คือการกระทําอย่างนี้ผูกพันอย่างนี้ <c oughs> จะทําให้กุญยายยังต้องอยู่ในวงจรศาสนาแบบเทวนิยมซึ่งพบต่อไป อาจจะเป็นชื่ออื่นหรือเรื่องอะไรอย่างอื่น <Yeah. S 1> อะไรอย่างนี้ยถ้ามีความเชื่อคล้ายๆอย่างนี้ <Okay. S 1> ต่อมาลูกก็ได้สั่งประใหุ้ญยายและคุณยายนุโมทนาท่านก็นุโมทนาท่านก็จะได้อันหนึ่งสองบ้างเพราะทําแบบตามใจลูกนะ mm hmm. ไม่อยากขัดใจหลาน <Yeah. S 1> ไม่ได้ทำแบบเข้าใจหรือว่าตั้งใจแต่ก็ยังก็ยังพอจะมีสายบุญเชื่อมอยู่กับพระพุทธศาสนาบ้าง โดยอนุโมทนาบุญแบบตามใจเนี่ยซึ่งบุญนี้ก็จะบรรดาให้ชาติดาชาติหนึ่งท่านจะได้อยู่ใน ร, ร่มเงาของพระพุทธศาสนาจะ oh. จะมีสายบุญเชื่อม <Yeah. S 1> แม้เพียงน้อยนิดคุณตามมาเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวานิยมเช่นเดยวกคุณยายพระแน่ดีท่านก็เป็นสามีภรรยากับคุณยายนะะ แต่มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนกันเลยแต่ก็มีการฆ่าสัตธ ร, รมาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผล ใ, ให้ท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นอัมพาตตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไป ใ, ในหมู่บ้านภูมิเทวาที่มีความเชื่อแบบเทวนิยมเหมือนตอนเป็นมนุษย์ความเชื่อเดียวกันและกำลังรอคอยที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอยู่ แต่ก็ยังไม่เจอยังไม่เจอเลยจ้ะแต่ถึงแม้ยังไม่เจอท่านก็ยังมีความหวังว่าจะเจอสักวันห<อ>นึ่งดังนั้นใจท่านยึงยังไม่เปิดยังไม่เชื่อเรื่องบุญหรือการเวียนว่ายแต่เกิดเลยเ<อ>พระาะเฝ้ารอคอยพระผู้เป็นเจ้าอยู่อตอนนี้ไม่ได้สนใจใครในเมืองมนุษย์เลยโ<อ>ดยเฉพาะ<อ>ยิ่งกับตัวลูกดูแล้วท่านรู้สึกเฉยเฉย มเพราะไม่มีอะไรผูกพันหลังจากลูกไปเรียนับถือพระเจ้าเหมือ น, นกับท่านน่ะเพราะความเชื่อต่างกันเนี่ยเห็นไหมจ๊ะกาแตกต่างคือการแตกแยกก็คลายความผูกพันในตัวลูกซึ่งเป็นหลานของท่าน mm hmm. คุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุละกำในิดดีที่ได้ฆ่าสัตว์ทํากับแกล้มทำอาหาและเลี้ยงสัตว์ไปฆ่าขายและขายเขาเอาไปฆ่าด้วยเราเรามาส่งผลจ้ะ พ่อตายแล้วช่วงแรกก็เป็นกายสัมภเวสีเดินตุลัดตุเลตุลัดตุเลไปเรื่อยๆผอมหิวโซลำบากต่มาได้รับบุญที่ที่ไปให้ก็ได้ไปเป็นบริวารของพระมเทวาต่างอภัยอาศัยใบบุญคนอื่นรับแต่ว่าก็้วนขึ้นไม่ไม่ค่อยหิวมีอาหารบ้าง น้ำบากน้อยลงเดิไปสายบ้านผมว่าถ้่เราอื่นที่มีบุญกว่าอยู่ใช่บุญที่อุทิศไปให้ตอนที่ยังสร้างองค์พระไม่เต็มองค์ก็ค่อยๆทยอยส่งผลทยอยบุญก็ทยอยบุญก็ทยอ ย, ย, อยส่งผลก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนทําองค์พระเต็มองนี่นแหละ <c oughs> ก็ทําให้ได้บุญสมบูรณ์ <c oughs> เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> ก็ทยอยบุญนี่ เหมือนทยอยทานข้าวทีละคามันก็ค่อยๆทยอยดูดซึมไปร่างกายก็ทยอยโตพอหมดจานก็โตทยอยเงี้ยมันทยอยแหละทยอยบุญก็ทยอยอรวยด้วยเจะสมมติจะรวยสักพันล้านก็เอาไปล้านก่อน พีต่าไปอีกล้านหนึง่งค่อยๆทยอยกันไปอย่างนี้ทยอยบุญไงช่วงรแรกชีวิตของคุณแม่สุขสบายพอสมควรแต่พอแต่งไงานแล้วครอบครัวก็แตกแยกต้องทำงานลำบากต้องไปเป็นลูกจ้าง ย, าย้ายที่อยู่เรื่อยๆคงไม่เป็นพระประสงค์หรือบททดสอบของใครหรอกเพราะตอนนี้ยังไม่มีบ้านที่จะอยู่ของตนเองจนถึงทุกวันนี้ ทดสอบอะรกรุนแรงขนาด น, นี้เรากำลังเรียนเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมบอกว่าในอดีตสมัยแม่เป็นผู้ชายก็จะทำตัวคล้ายๆกับคุณพ่อแต่ในชาตินั้นก็ไม่เคยได้รับผิดชอบควอบครัวและมักจะห้ามภรรยาทำบุญแจกสามีมาเป็นภรรยา จึงทำให้กําลังทานบารมีหย่อนเพราะห้ามภ ร, รรยาทำบุญด้วยความตรันนีจึงทําให้ชีวิตลําบากการจะชู้ก็ทําให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็มีครอบครัวแตกแยกช่วงแรกสุขสบายเพราะยังมีบุญสงเคราะห์โลกอยู่บ้านที่มาสง่งผลในช่วงแรกในช่วงแรกๆเพราะห้ามภรรยาทำบุญจึงทําให้ชีวิตลําบากไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ดังนั้นเนี่ยไปห้ามใครที่เขาทาบุญไปตัดรอนกําลังใจเขาจะมีชีวิตลําเค็นลําบากมากแม่งลูกมักปิดกั้นตัวเองว่าจะต้องนับถือศาสนาเทวานิยมแบบเดิมไม่อาจนับถือศาสนาอื่นได้ดังนั้นเมื่อลูกจะเป็นอริวิทย์ท่านลูกจะต้องอธิบายท่านกระจายเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดซึกรแล้ะอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎสาคัญที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้น เหมือนเราเหล็กเลี่ยงการหายใจไม่ได้ไไดเหล็กเลี่ยงอากาศไม่ได้แต่นั้นกล่าวถึงว่าเป็นคําสอนในพุทธศาสนาต้องอย่างนี้ไปกอ่อนพูดถึงเรื่องกฎสากลไปกอ่อนแม่ก็มีสายบุญในอดีอยู่บ้านกระหมูคณะแต่ว่าด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตในชาตินั้นจึงทําให้บางชาติพลัดเป็นนับถือถือวานิยมแล้วก็ไม่เจอบุคคลนัตัวอย่างดีที่สายบุญเก่าที่เคยทํากระหมูคณะมาเนี่ย ทำให้มีลูกสาวอย่างลูกเช่ชชที่จะมาเป็นกำลังมือให้ท่านนี่แหละลูกไปเกิดในครอบครัวที่นับถือเทวานิยมเพราะเมื่อหลายพุทธันดรที่ผ่านมาเนะี่ยโลกในน้อยใจสมาชิกบางคนในหมู่คณะจึงได้ออกไปจากหมู่คณะแล้วก็ไปนับถือเทวานิยมแต่พอไปศึกษาแล้วมันไม่มีอะไรเพราะเรียนไ ม, ไม่กี่วันก็จบแล้ว วันเดียวก็จบก็ลเลยกลับมาสู่บุคคณะอีกมีบากกรรมนี่มาส่งผลใช่แต่เมือ่อได้อ่านคำว่าปัจจาตังรู้ได้เฉพาะตอนยังสกิจใจลูกเพราะบุญที่เคยสร้างมาบูคคณะส่งผลพอดีอจึงทาให้สะดุดใ จ, จและได้คิดเป็นเหตุได้เด็มในชีวิตที่ถูกต้องและหันกลับมาสร้างบารมีบูคคละอีกใช<อ>ลูกเกิดในครอบครัวที่แตกแยกมีชีวิตวัยเด็กลาบาก และเติบโตในบ้านป่าที่ห่างไกลความจเจริญเพราะในดีลูกเป็นผู้ชายแล้วก็เจ้าชู้จึงทําให้มาเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเพราะชาตินั้นก็เจ้าชู้ครอบครัวก็แตกแยกอีกถ้าเป็นคนถือตัวมีทิฐิมันนะว่าเก่งมันแน่ว่าดีเลยรเนะี่ยจึงทำให้เกิดในที่ลําบากและห่างไกลความจเจริญจ้า แต่พอโตอขึ้นชีวิตกลับพิกผันมีความก้าวหน้าทางการศึกษาได้รับความเกรงใจจากคนทั่ ว, วไปและได้รับความเมตตาจากรร่นพหลพระอาจารย์เสมอพระพรทธนอนที่ผ่านมาลูกได้เป็นแพทย์แพทย์ทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมียศตำแหน่งสงูงมีกุลธิดาอยู่ในสังกัดเยอะ แต่ก็ยังดีต่อมาก็ออกบวชตามพระราชาจงแลงการบกกือตัวมีทิฏฐิมณนะต่อมาภายหลังก็กลับตัวกับใจแก้ไขตัวเองได้และก็มีบุญสนับสนุนการศึกษามาในอดีตชาติชาติหนึ่งจึงทาให้บุญนี้ส่งผลให้มีความพ้าหน้าทางการศึกษาและบุญที่แก้ไขตัวเองได้จึงเป็นที่เมตตาของอรุ่นพี่และพระอาจารย์จ้ะ อาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะได้รับผลบุญโดยย่อคือจะได้รับการเคารพสับถือชื่นชมของมหาชนทั่วไปจะมีร่างกายแข็งแรงและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชนทั้งหลายเป็นต้นชะอายุจะยืนด้วยคนไข้ท้องเสียที่ลูกสั่งพยาบาลในเกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เรื่องเกินการป่วยเกษียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะคนไข้มดอายุไขพอดี มันอายุขยอยู่แล้วแหละไม่ว่าลูกจะรักษาอย่างไรก็ตายจะแต่เพื่อความสบายใจกายลูกสั่งสมบูรณ์แล้วทิศสุขสนไปยังคนไข้คนนั้นที่ละโลกไปแล้วเจ้าเอลูกเดินทางมาถึงญี่ปุ่นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดกับทุกสิ่งรอบตัวเกิความชอบชื่นชมในประเทศญี่ปุ่นเพราะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่านี้ <laughs> คือเป็นเรื่องชื่นชมประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นหลัก เราแพร่ลองเกดสอนในช่วงฤดูใบไม้ผลิทุกปีพระในชาติหนึ่งได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ชอบเผาที่นาเผาหญ้าทำให้ไปรบกวนเพื่อนบ้านทั่วไปมาส่งผลอให้คนอื่นเขาฟุดฟัดมึงจะแก้ไขลรคก็ตตองออกกำลังกายแข็งแรงลูกก็เป็นหมอหรอแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุและกติฐานจิต หายไปตัร่าวิบากกรรมนี่บ่อยๆจะนักก็จะเป็นเบาๆไปจะหายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ลูกวิดพื้นวิดพื้นไปเรื่อยๆเลยแข็งแรงเราได้สร้างเราทำการจําตัวได้ตนเอง10องค์แลวชวนคนอื่นทำาสิบองค์ลูกก็จะได้อันดับส่งนุยยอดคือจะได้รูปสมบัติทัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้ะติดตัวไปได้พอบึงน่ะ และปัจจุบันชาติบนี้ก็จะไปจัดรอนวิบากกรรมเก่าและให้รูประสบความสาเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานจะบางคนเงินไม่พอจะทำบุญสร้างของพระทันทีบางคนมีเงินพอแต่สันตัดสินใจทำในภายหลังบุญที่ได้ก็จะแตกต่างกันคือผู้ที่ทำบุญทันทีเวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติทันที แต่ว่าเงินไม่พอทยอยบุญก็บุญก็จะทยอยมาสมบัติก็จะทยอยมาแต่เกิดเร็วส่วนผู้ที่มีทรัพย์แต่ตัดสินใจในภายหลังเวลาบุญส่งผลทรัพย์จะเกิดขึ้นช้าแต่เป็นก้อนอเราจะเอาแบบไหนคอยไปจนกระทั่งอายุ80แล้วลวยุยหรือว่าทยอยรวยแต่ยังหนุม่มยังสาวอเออแล้วก็เลือกเอา เราจะเอาแบบไหนรวยตอนแกเป็นก้อนอกับทยอยรวยตอนหนุ่มสาวส่วนเจ้าหน้าที่ตามประเทศก็จะมีส่วนในบุญของทุกๆคนละเจ้ะ mm hmm. รุนน้องลูกที่มาปฏิบัตินำหน้าปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในพุทธนันทที่ผ่านมา mm hmm. ได้เป็นกองสเสบียงและเป็นกุลธิดาเนะบื่อเบื่อเบื่อเบื่อหน่ยายการครองเรือน mm hmm. ยินได้ตั้งความปรารถนาจะมาประพฤติพรหมจรรย์และช่วยงานพระศาสนากับมูคณนะเธอลงมาเกิดรอบเดียวในพุทธนันดาทิ่ผ่านมาส่วนตัวลูกก็ลงมาสองรอบตัวลูกไปผลงามในป่าทำพอตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้แล้วก็ได้ลงมาสองรอบส่วนลูกน้องกลับดุสิตบุรีได้แต่ลงมารอบเดียวชาติท่ผ่านมาจะลงมากี่รอบกว่าช่างเธอะชาตินี้สิประคองตัวกลับดุสิตบุรีให้ได้กันแล้วกันจะ้ะ สนยังเลยขี่รอบชาตินี้ออมสักรอบรอบนี้อาเงินได้ระสักก่อนลองมายังไ ง, งว่ากันทีน้องชายนักศัลย์ลูกก็เคยสร้างบรารมีกับุคคลนา้นมาโดยเป็นกองสเสบียงจ้าชาติี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบรารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติดไปเดือริ้วบีว่องบุนพิเศษเขตบรมโมโสัจจะได้พัดกันเลยจ้ นี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตี้สั้นๆเลยจ้ะ